ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสามยุทธธรรมปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราดูรู้รู้รู้รูรู้ไปแล้วมันก็อยากให้มันเป็นไปอย่างไรนี่เนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ดูรู้รู้รู้ไปแล้วเราก็อยากให้มันได้ผลเสักทีอยากให้มันเกิดผลพอมันยิ่งสงบก็ไปว่างก็ไปสงบก็ไปว่าง้าไปเราก็ แต่ความกลัวซ้อนสมาส์คือกลัวมันจะไม่สงบแล้วไม่ว่างเราก็มีความอยากให้มันสงบยิ่งขึ้นอีกสงบก็ไปอีกสงบไปอีกไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวอันตร า, ตายเป็นอุปสรรคของพันธุ์านถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องสัตว์ตะันรู้แล้วรู้ท่าทันมันแล้วเราก็มาสัตว์ตะวันรู้ตรงที่มันมีความอยากเพิ่มขึ้นมารู้มันตรงนั้นเลยรู้ตอนมันมีความอยากเพิ่มขึ้นมาเร อ, อดไม่ได้ที่มัน ส ง, งบก็ไปสงบก็ไปว่างก็ไปว่างกาไปสว่างก็ไปจากสว่างก็ไปมันมีความอยากเลยกลัว brake. มีความกลัวท em ันทีว่ากลัวว่าสภาวะนี้จะหายไปเดี๋ยวจะเกิดเป็นความไม่สงบไม่ว่างขึ้อมาตั้งแต่ยังจะตึงไว้ตรงที่มันสงบแล้วว่างนั่นเนี่ยทุกอย่างไม่ใช่ดังนั <S <S ้นต er. ้องบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่สงบเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่างเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เบาเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ต้องบอกไม่ใช่ไม่ใช่บอกกัใจไม่ใช่ดังนั้นทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเรือยทิ้งไปเรื่อยิงไปเรืย เห็นสตางคตกอยู่ก็ไม่เก็บสตางอะสตางสิบก็ไม่เก็บเห็นแดงร้อยก็ไม่เก็บเห็นเพิ่มกูไม่เรื่อยก็ไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บเห็นมาตามรายฐานไม่เก็บสักอย่างเพื่อจะไปซื้อหวยถูกอารางวัลที่หนึ่งกว่าจะเก็บอะไรเลยจะขัดลาบจะคว้าอะไรสักอันเดี๋ยวไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันอะเราจะเปรียบเปรียบประวัตาสเป็นรางวัลที่หนึ่ง เพราะนั้นผมไปเจอความว่าความเบาความสว่างเท่าไหร่ต้องทิ้งไปทิ้งไปอย่าไปเก็บอย่าไปจับอย่าไปยึดเดีย๋ยวไม่ถูกรวัลที่หนึ่งปล่อยไปปล่อยไปก็ป เ, เรียกคนบโบรานว่าไปเดี๋ยวขัดราบเดี๋ยวขัดราบไี่ปล่อยไปวางไปทิ้งไปซะมันเบามันยิ่งเบายิ่งสว่างทิ้งไปเลยทิ้งริงทิ้ทไปยังไม่ใช่แต่นงี้ยยังไม่ใช่แต่เงี้ยพราะถ้าถึงตรงนั้นมันมันไม่ต้องถามใครเป็นปัจจัตตังพระเจา้าสัตว่าเป็นปัจจิตตัง จะรู้ได้ด้วยตนเอง